สนาแผ่นที่78ดลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุอรธานีสแสดงทางในวันที่1ิสิงหาคมงพ้ามีชื่อเรื่องว่าที่มาของโมรลนิธิเสียงธรรม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 ฝาไม้ไผ่ยอยู่ด้วยการสามองค์ท่นี้พอตกกลางคืนมาท่านห้วดไปฉันอะไรก็ไม่รู้เท่นเลยปวดท้องกระจององแงเข้าเท่เนี่ตาย ๆ, ๆ, ๆหายาไม่ได้จะไปยาได้แนละ้วยาติดยามาท่านเองเนี่ยมิตรยาแก้ปวดยาแก้วัดสองสามเม็ดยาอย่างยาอย่างอื่นก็ไม่มีท่เนเลไปหาใครดูคนนาคำนว่ากับมีวแปดลังคาท่านเอง สมัยนั้นอ่ะดูนักการกับไปเลียกกันมาแลยสามองค์มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะผลผลมาเนี้ยท่านให้ผลกับมาไปไปไปต้มน้ำเอายาให้กิ น, ก, นกินยาเท่าที่จะมีไม่รู้จะ ก, กินยาอะไร <c oughs> ก็มีน้ําตาลเขาประเคีนไว้ตอนตอ น, ตอนบ่ายเขามีน้ําตาลเขาสําหรับสรรคบพเนี่ยแหละภกชาภพกกาแฟภกน้ําต้มต้มต้มต้นไม้นะ่ะ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 เอกินหลวงพ่อเลยจำไม่ลืมเพระทั่งทุกวันนี้เรากงานเถอะพราะยาใช้ยาผิดประเภทไม่รู้จะหายาที่ไหนให้มีแต่ยาติดยา่มามาทุง่งแต่ถ้าหากว่าจะให้กินจะเลย ก, กลัวมันจะกัดกระเพาะเข้าไปอีกใช่ไหมล่ะต้องเอาน้าตาลเข้าไปลองซะก่อนเพราะทานทานอาหารเย็นทานไม่ได้เนี่ยปาเนะ่ยมีแต่น้าตาลนะั่นแหะที่จะลองท้องไว้ก่อนอเผื่อ ยาตัวนี้เขาไปกัดกระเพาะนะที น, นี้ก็เอายาไอ้น้ําตาลใส่เข้าไปคนเข้มข้นสันนนกหน่อยพอดื่มเสร็จเข้าไปแล้วกันนะเอายาแก้ปวดแถมเข้าไปเลยสองเมนะ็ดพออีกสักหน่อยหนะึงวัเหงื่อแตกนะออต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเป็นไงหายแล้วหายแล้ ว, ห า, ลวหายปวดแล้วเออเอาก็เลยหาที่พักนั่นแหละ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 คล้ายๆบอพอเดินได้ดอกผลนะแต่ต้นไม่ว่าละต้นถ้าจะออกมาใช้มันก็เหลือกินแต่ว่าดอกผลที่จะนำเอามาใช้น่ะก็รู้สึกว่าน้อยอยู่แต่ถ้าบริหารดีก็ไม่มีปัญหาไปได้ น, นี่ก็คือวิทยุมูลนิธิแต่มูลนิธิเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็คือหลวงพ่อเองทั้งตั้ง ตั้งขึ้นมาด้วยหลวงพ่อเองเป็นคนเป็นคนเป็นคนคิดนะเพราะหลวงตาเนี่ยท่านก็บอกไม่แต่โทษต้นเองแต่เรื่องทุนทรัพย์เนี่ยท่านจะต้องมองมาหามาหาลวงพ่อเลยนะถ้แต่มันก็ไม่มากเหมือนหลวงตาหรอกแต่ถ้าว่ามีอะไรที่จะใช้นะท่านก็เหลือบมาหาหลวงตาหลวงตาต้องเหลือกมาหาหลวงพ่ออย่างงานผ้าป่าก็เหมือนกัน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 ก็เลยสถานที่แม่ก็จลยจ่ายเองจ่ายสถานมีสถานีแม่เลยสถานสถานีบ้านตาดเลย เ, เขาก็ตกต่อรองก็ได้ทีแรกเขาก็เรียกแพงอยู่นะหลายล้านทั้งหลายบริษัทแต่พอมาได้ไทยคมสองเขาก็เลยประมาณห้าล้าน ก, กว่าอะไรเนี่นะเอาเงินทุนนิติของเราเลยรวบลุงกันตั้งขึ้นมา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 อเอามาจากนั้นหลวงพ่อก็เลยให้เพออันนันเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการในการดําเนินตั้งมูลนิธนะิเนี่ยก็ตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาจากนั้นก็มีจตุ ป, ปัจจัยหลังไหลออกมาเรื่อยๆคนนั้นบางคนนี้บางทั้งของเราบางพราะมันต้ น, ม, น, ตนมันต้นขึ้นตั้งต้นใหม่เราก็ไปพยายามเข้าไปพอคิดว่าเออเป็นไปได้แล้วก็ก็จะหยุดไปแต่นี่มูลนิธิ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 แต่รู้ยุ่ที่เขาจะจับเข้าคุกต้องอ่านดูซะก่อนพออ่านดูแล้วก็เออเอา่าเซนนี่แหละทุกครั้งครับพึ่งพาอาศัยพออนันต์จันทศิลป์เนี่ยพ อ, อโรงเรียนเก่าที่ท่านเขาเคยทำการทางานราชการมาแล้วเนี่ยพอได้พึ่งพาอาศัยท่านพออนะเป็นผู้ดูแลเอกสารทุกอย่าง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 แต่มูลนิธิดูแลดูแลพระสงฆ์อาพาธเนี่ยก่อนประสบผลจำเร็จก็คือศรีนครินพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ไปมูลนิธิตัวนั้นก็ได้ดูแลครูบาอาจารย์ไปลวกกี่องค์ตกกี่องค์แต่ละปีนะแต่โรงพยาบาลสูง อ, อรรถหนึ่งกำลังเริ่มตั้งไข่อย่างดำเนินการดาเนินงานอย่างตุปัตตุเปอยู่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 ในแนวคิดช่วยชุมชนสังคมก็ไม่ได้ลดละแต่ก็ไม่ได้หนักใจสรุปแล้วสรุปแล้วก็คือไม่หนักใจทำเท่าที่จะทำได้ดูกำลังของตนเองถ้าเราก็มีกำลังขนาดไหนเราก็ทำขนาดนั้นถ้าเราไม่มีกำลังแล้วจะไปแบกทำไมแบกให้โง่ทำไมถ้าแบกมันก็หนักตัวเองมันโง่ถ้าโง่ล้วก็ไม่รู้จะกำลังตัวเองหลังหัก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 ขยะวยธรรมมาสังคาราอั ป, ปมาเดนะัมปาเดทาติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานในวันเดือนหกเพจนจวนสว่างพระองค์สั่งเป็นพระวาจาสุดท้ายเรียว่าคาสุดท้ายเหมือนกับพ่อสั่งโลกครั้งสุดท้ายนะกนั้นลักษณะ น, นั้นและปิดแล้วจากนั้นก็ปิดพระโอทเลยไม่พูดไม่กล่าวอะไรอีกจุดพูด